2วันก่อนก็ได้สนทนากับคณะาชาวอเมริกันเกี่ยวเรื่องธรรมะกับธรรมชาติแล้วก็โยงไปถึงเรื่องการอนุรักษ์ป่านะที่ทำโดยพร ะ, ะซึ่งมีหลายแห่งรนะวมทั้งที่นี่ด้วยก็ได้พูดว่าเดี๋ยวนี้นอกจากการ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 อันนี้ก็คืด่าเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจของคนจำนวนมากนะโดยเฉพาะฝรั่งนะที่เข้ามาสนใจพุทธศาสนาแล้วก็ติดใจในเรื่องการปล่อยวางก็อธิบายให้เขาฟังว่าการปล่อยวางที่ ทางพุทธศาสนาเนี่ยนะพูดถึงเนี่ยหมถึงการหมายถึงการปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราความยึดติดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราอันนี้มันเป็นที่มองความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยวางได้ก็เป็นสุข แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเรื่องการปล่อยวางเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดแย้งกับการทำงานของพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเผยแผ่ธรรมหรือการอนุรักษ์ป่าคนเราไม่ยังเป็นต้องทำอะไรด้วยความยึดมั่นถือมั่นเสมอไปอย่างเช่นการอนุรักษ์ป่านี่ก็ไม่ใช่ว่าทำเพราะว่ายึดมั่นถือมั่นว่าป่านี้เป็นของเราถึงแม้ป่าไม่ใช่ของเรา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 ทำเพราะว่ายึดมันมาเป็นของเราแต่ว่าทำเพราะรู้สึกถึงบุญคุณของป่าเหล่านี้ต้องการจะตอบแทนบุญคุณนะป่าธรรมชาตนะิที่ได้ให้ความสงบได้เป็นที่สัปปายะนะแก่พวกเราในการประพฤติปฏิบัติธรรม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 ไม่จะเป็นว่าต้องเป็นป่าของเราเท่านั้นนะถึงจะถึงจะรักษาถึงไม่ใช่ป่าของเรานะถ้ามีเมตตากรุณานะมันก็ทำให้อยากจะไปช่วยเหลือเขาไม่ใช่เฉพาะกับป่านะกับสัตว์นะกับผู้คนก็เหมือนกันถึงไม่ใช่เพื่อนของเราญาติของเราพี่น้องของเราแต่ว่า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 ชักชวนพระให้ไปช่วยกันาตามหน่อยไปช่วยกันดูหน่อยนะว่ า, าเขาตักสมุนไพรกันตรงไหนเพราะอย่างที่บอกเมื่อวานนะเพียงแค่คนตัดสมุนไพรรู้ว่ามีพระมาตามหาสอดสองนี้เขาก็ถอยเขาก็หนีไปละเขาไม่กล้าเผชิญหนา้าก็มีพระหลายรูปท่านก็ร่วมมือช่วยกันแต่ก็มีรูปหนึ่งไม่สนใจ พระลุมนั้นตอนหลังก็บอกกับเพื่อนว่าผมปล่อยวางแล้วผมปล่อยวางแล้วก็เลยไม่ได้ไปทําอะไรในเรื่องการเพื่อป้องกันสมุนไพรในวัดอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคือเข้าใจว่าถ้าปล่อยวางแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรปล่อยปละละเลยเล้วต้องถาม ว, ว่าปล่อยวางนี่ปล่อยวางอะไร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 เอาเอาอัตราหรือตัวตนเป็นที่ตั้งถ้าเป็นของฉันฉันดูแลถ้าไม่ใช่ของฉันฉันไม่สนใจมันไม่ใช่ธรรมะที่ประไต่ชาวผู้เราจํานวนไม่น้อยอยังเข้าใจเรื่องการปล่อยวางไม่ถูกต้องคือเข้าใจปล่อยวางคือปล่อยปละละเลยไม่หรือว่านิ่งดูได้ปล่อยวางในพุทธศาสนาท่านในเรื่องเป็นเรื่องการทําจิตทําจิต ทำจิตปล่อยวางแต่ว่ากิจก็ยังทำอยู่แต่กิจในที่นี้คือก่อกายสริริจอจานแปลว่ากระทำหรือหน้าที่ที่ยังทำอยู่ปล่อยวางเนี่ยท่านหมายถึงการทำจิตไม่ได้หมายถึงการปล่อยปะละเลยไม่ทำกิจอะไรการทำกิจโดยใจที่ปล่อยวางก็ยังเป็นไปได้เหมือ น, นกัเราปฏิบัติธรรมเนี่ย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 อันนั้นแสดงว่าใจเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วเราไปอยู่กับอนาคตลผลที่จะเกิดขึ้นก็คืออนาคตนั่นเองทันทีที่เรามาเจริญสตินี и เราต้องน้อมใจให้มาอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่ทําก็คือว่ารู้อยู่แต่เฉพาะทำที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างที่เราสวดมน์นะบทหนึ่งนะ่นที่ว่า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 ปล่อยวางอาดีตเอาวางอนาคตวางปล่อยวางผลที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะถ้าทําแบบนี้เนี่ยเราจะปฏิบัติได้อย่างไม่เครียดและเวลาเราทํางานแล้วทํางานได้ใจแบบนี้ก็จะไม่เครียดนะเพราะส่วนใหญ่เครียดเพราะอะไรเครียดเพราะไปยึดติดถือมั่นในผลานะที่อยากจะให้เกิดขึ้นแต่มันไม่เกิดขึ้นสักที อยากจะให้ใจสงบอยากจะให้หยุดฟุ้งซ่านแต่มันไม่สงบสักทีมันไม่หยุดฟุ้งซ่านสักทีก็เครียดแต่ถ้าเกิดใจอยู่กับปัจจุบันสักแต่ว่ารู้ ร, รู้รู้เฉยเฉยใส่สิ่งที่เกิดขึ้นสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้งุดหยิดก็รู้ผ่อนคลายสบายก็รู้นะรู้ไปอย่างเดียวมีเสียงมากระทบเสียงดังแค่ไหนนะก็รู้เฉยเฉยนะไม่ไป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 ปัญญามันออกมาได้ยากหรือว่าความสามารถก็จะออกมาได้ไม่เต็มที่อย่างนักฟุตบอลเนี่ยที่เขาเก่งๆ เ, เนี่ยถ้เาเ็เวลาเขาจะเตะลูกโทษในพนัดสำคัญเนี่ยถ้าเครียดเมื่อไหร่เนยะก็มักจะเตะไม่เข้าตทั้งที่เวลาซ้อมนี่เตะร้อยครั้งก็เข้าสัก99ครั้งแต่ว่าพอมาเตะในนัดสาคัญคนดูเป็น ไม่ใช่หลายหมื่นนะแต่ว่าหลายล้านทางจอโทรทัศน์เป็นนักตัดเชือกถ้าเตะไม่เข้าก็อาจจะแพ้ตกรอบแรงกดดันก็มากความเครียก็สูงพอเครียดแล้วนี่ไอความสามารถที่มีนี่มันก็หดหายไปหมดเตะผิดเตะถูกแม้กระทั่งนักกุนบอลระดับโลกชื่อดังแต่ถ้าใจเป็นสมาธิตัดเรื่องอื่นไปหมดไม่สนใจผลที่จะเกิดขึ้น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 แต่มันก็กลายเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าเอาแต่ให้เข้ากลายเป็นเรื่องง่ายที่ไม่ว่าจะเป็นทางเรืงทางธรรเนี่ยนะมันก็ใช้ท่าทีเดียวกันคือว่าทําใจใจนีดปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทํากิจมันก็จะทำได้เต็มที่ไม่ใช่ปล่อยวางแล้วก็เลยปล่อยปะแล้วเลยเฉยแฉะไม่ใช่เลยยิ่งปล่อยวางยิ่งทํากิจได้อย่างเต็มที่ มีความเพียนมีความภาคเพียนออกมาอย่า ง, างมากมายเพราะฉะนัการทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียส น, นี่เป็นไปได้ทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสที่จริงหลวงพ่อเทียนเขาก็สอนแบบนี้นะเขาก็แนะนำนักปฏิบัติว่าทําเรื่อยๆแต่ทําจริงๆ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 มันหนักไปในทางความฟุ้งซ่านรู้ตัวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านอีกแล้วรู้ตัวปุ๊บเดียวเดี๋ยวก็เผลอคิดอีกแล้วทํายัางไงทํางมันก็มันก็เทไปทางนั้นนักปฏิบัติใหม่ๆจะรู้สึกได้เลยมันรู้ตัวแค่ไม่กี่ขณะแล้วก็เทไปในไปสู่ความฟุ้งซ่านคิดมากหรือเกินแต่ว่าถ้าถ้าทําเล่นๆไปทําเล่นๆไป ไม่ทิ้งความเพียรพยายามจีละน้อยจีละน้อยความรู้สึกตัวก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นเกิดภาวะที่เราก้ากึ่งกันเหมือนกับมันยื้อแยงกันระหว่างความรู้ตัวความหลงระหว่างความมีสติความลืมตัวมันจะยื้อแยงกันแต่ถ้าทําต่อไปไม่หยุดแล้วทําถูก มันก็จะเทไปในทางความรู้ตัวแล้วคราวนี้ความรู้ตัวก็จะมากกว่าความไม่รู้ตัวนะสติความรู้ทันมันก็จะทํางานได้เร็วจะมีความความลืมตัวก็จะน้อยลงความฟุ้งจางก็จะน้อยลงแล้วมันก็จะมีความสงบมาแทนที่เป็นความสงบเพราะความรู้ตัวมันเทไปทางนั้นแล้วตอนนี้ อันนี้เพราะว่าวางใจไว้ถูกนะคือทำเล่นๆนะแต่ทำจริงๆหรือทำไม่หยุดนะหรือว่าทำด้วยใจที่ปล่อยวางปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตปล่อยวางผลที่อยากจะให้เกิดขึ้นไม่ว่าผลนั้นจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นความสงบหรือว่าการมียารู้รูปนามการเข้าใจเรื่องรูปนามหรือว่าการเข้าใจาาาาใจลับนะวางให้หมดเมื่อเราเริ่มต้นที่ทา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 และการทํางานเขาก็พบว่ามันเริ่มขาดความกระตือรือร้นอาจะเรียกว่าเริ่มจะทํางานแบบเฉยๆใจหนิงก็รู้สึกเป็นห่วงว่าถ้าทําแบบนี้เรื่อยไปเนี่ยจะมีความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในการงานหรือเปล่าก็บอกเข้าไปว่า ก, การที่ตันหามันลดลงความหยามมันลดลงนี่เป็นของดี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 คือเป็นจิตอาสาบางคนมีเงินเดือนน้อยแต่เขาก็ทําจะทําได้อย่างเต็มที่ด้วยเพราะเขามีฉันทะเขามีความรักในงานนั้นเขาไม่ได้อยากได้อะไรจากงานไม่ได้อยากได้เงินทองอยากได้ชื่อเสียงแต่เขามีความรักในงานรักในงานนี่เรียกว่าฉันทะอย่างที่เราสวดเมื่อวานว่าพอใจนะความพอใจฉันทะ ในในบทที่ว่าสา ม, มาวายามะมีความพอใจใเกิดขึ้นประรดความเปลี่ยนประองตั้งจิตไว้เนี่ยให้ความพอใจเนี่ยที่จริงถ้าจะแปลว่าความรักนะความรักหรือความชอบในในงานนั้นเมื่อมีชั้นธาในงานนะก็ทำให้อยากทำงานมีความเพียรในการทำงานถึงแม้ว่าจะทำฟรีก็ทำถึงแม้ว่าจะได้ผลตอบแทนน้อยในรูปวัตถุก็ทา นะหรือว่าทาเพราะว่าอยากจะใช้ความสามารถออกมาให้มันเต็มที่เพราะรู้สึกว่าทาแล้วชีวิตมีคุณค่าถ้าไม่ได้ทำแล้วมันหน่อยเหงานะหรือว่าชีวิตว่างเปล่าก็มีหลายคนนะทำเพราะเหตุ น, นี้กเกษียณแล้วมีอะไรให้ทำหรือว่าจะขอทำเป็นจิตอาสาก็ทาเพราะว่าทำให้รู้สึกว่าได้ใช้เวลาให้มีประโยชน์หรือว่าใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการทําเพราะว่าตัณหาหรือว่าความอยากที่จะได้รางวัลได้เงินเดือนได้ตําแหน่งหรือได้ความก้ า, าวหน้าเดิมซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าไปเข้าใจว่าถ้าตัณหามันเบาบางแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นความเฉยเหนืยไม่ใช่เลยนะก็ยังมีความขยันได้ ที่ยิงความเฉยเนยความเกลียดครั้งนี้ก็เป็นตันหาชนิดหนึ่งนะมันเป็นความรักสบายยิ่งตันหาน้อยลงเนี่ยยิ่งขยันอย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านเน้นเลยนะว่าเนี่ยในการทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยทำด้วยความเพียรทําด้วยความพยายามยิ่งมีความไม่ประมาทก็ยิ่งมีความขนันมากขึ้นตันหาลดลงนี่ยกับทำให้ทํางานอย่างอย่างเต็มที่หรือภาวนาอย่างเต็มที่ได้ซ้ํา เมื่จะเป็นงานทางโลกหรืองานทางธรรมก็สามารถจัดทาได้ด้วยความเพียรพยายามวิริยะมันมาเองโดยเพราะเมื่อมีฉันทะถ้ฉันทะคือความรักในงานเกิดขึ้นจากการที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำํำคุณค่าในทางที่เป็นประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ได้ประโยชน์ตนในที่นี้ไม่ถึงไม่ได้หมายถึงเงินเดือนรางวัลชื่อเสียงกติยศแต่หมายถึงว่าการที่มันช่วย พัฒนาตนฝึกฝนตนพัฒนาตนให้ให้มีคุณภาพจิตที่ดีให้มีอ่สติปัญญามากขึ้นให้มีความอดทนมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ตนหลายคนก็ทำงานอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ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 อันนี้เรียกว่าทำรร ม, มาทิปไตยหรือทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ความดีงามเกิดขึ้นกับส่วนรวมก็เรียกว่าท ร, ร ม, มาธิปไตยและการการปล่อยวางหรือการทํางานด้วยใจปล่อยวางก็จะไปเสริมกับรำ ม, มาธิปไตยได้ให้เวลาเราภาวนาเนี่ยก็ให้ลองสํารวจดูนะว่าเราทําด้วยท่าทีแบบไหนด้วยใจแบบไหน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 ที่ท่านเรียกว่ากรรมนิโยก็คือว่าควรแก่การงานถ้าทําสมาธิถูกเนี่ยนะมันจะทําให้ทํางานทําการงานได้ดีนะถ้าทําสมาธิแล้วช่วยเนือยนะกลายเป็นเกิดนิวรณ์เกิดทินามิธาคืออันนี้มันไม่ใช่สมาธิหรือไม่สัมมาสมาธิแล้วถ้าสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยมันจะเกิด ภาวะจิตที่ควรแก่การงานเป็นเพราะจิตที่นุ่มนวลยืดหยุ่นถ้าไม่ควรแาก่การงานถ้าเฉยเหนื่อยเป็นปฏิบัติกับการงานนี่แสดงว่าไม่ใช่สัมมาสมาธิแล้วมันเป็นวิชาสมาธิแล้วเราต้องเข้าใจนะเรื่องเรื่องประโยชน์หรือว่าท่าทีประโยชน์ของการปฏิบัติกับท่าทีในการปฏิบัติเนี่ยมันสอดคล้องกัน การปล่อยวางก็ดีนะหรือว่าการทําสมาธิก็ดีจิตเป็นสมาธิก็ดีไม่ได้ขัดแย้งนะกับความเพียรพยายามไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อวิริยะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทํากิจมันกลับเสริมกันด้วยซ้ำํำอาะละชานี่กับภูกระท น, นี้อ่ะ